ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รวมประพธิยานกำลังนำเสนอเรื่องคำว่าพรมจรรย์ก็สืบเนื่องมาจากพระพุทธกํารัตที่พระพุทธเจ้ารับสั่งแก่ท่านปัญจวคีไว้ท่านสนใจตั้งใจฟังธรรมะและปฏิบัติไปตามที่พระองค์ทรงแสดงนั้นก็จะบรรลุผลสูงสุดซึ่งเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ก็หมายความว่าไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยไม่ไม่มีบาปต้องละไม่มีกุศลตกบำเพ็ญคือเข้าถึงปัญญาที่สมบูรณ์บริสุทธิ์สมบูรณ์แล้วก็เป็นความเมตตากรุณาที่สมบูรณ์ตารรวบรวมแสดงไว้ในรูปของมรควิธีเป็นขั้นบันไดคือตามแต่จะเดินไปได้อย่างน้อยได้สักข้อเนี่ยก็เป็นบุญแล้วเป็นระดับสิ้นธรรมจรรญา ในระดับทานระดับช่วยเหลือกันระดับความมีน้ำใจต่อกันระดับศีลห้าเนี่ยสองสามอย่างเนี่ยหรือภายในครอบครัวก็เรียกว่าสามีพัญญาชื่อชงต่อกันมีสถานะสันโดษยินดีในพัญญาตนเองมีปฏิวัติภักดีต่อสามีของตนเองแต่แถวเนี้ยนะแล้วก็สร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได้มากอยู่แล้ว วันก่อนได้พูดมาถึงเรื่องของที่จริงทรงใช้คาว่าอัปปมัญญานะคือหมายความว่าพระมิหสีนี่แหละเมตตาความรักใคร่ปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นเป็นสุกรุณาปรารถนาทีจ่จะเห็นคนอื่นหลุดพ้นจากความทุกข์บุธิตาในความพรอยชื่นชมยินดีเมื่อคนอื่นก็ได้ดีและอุบเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจในยามที่คนอื่นประสบความพิบัติเนี่ย ก็เริ่มต้นมาจากอุเบกขาไม่ใช่เริ่มต้นมาจากความเป็นพรหมมิหารก่อนพรหมมิหารแปลว่าเป็นที่อยู่เป็นเรือนใจนะครพรหมก็คือผู้ใหญ่ตลอดถึงพระพรหมจริงๆแล้วก็รวมถึงพระอริยะด้วยนะคือขึ้นไปเป็นผลที่สมบูรณ์เพราะว่าตรงนี้ถ้าเรามองจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องปัญญากับความบริสุทธิ์ อเวคา น, นเป็นลักษณะของปัญญาเมตตากรุณา ม, ม, มุชิตาเนี่ยเป็นอาการของบริสุทธิ์จากความพยายามจากความเบียดเบียนจากความริษยาแล้วก็เวคาเองก็ที่จริงก็บริสุทธิ์จากอคติหรือถ้าเรามองดูได้หาแล้วมันก็คือสัมผัสพระบุตรคุณในระดับหนึ่ง แต่ทีนี้ถ้าท่านกิจแผ่ไปได้กว้างไกลถึงไม่กำหนดกลุ่มคนหรือกลุ่มเป้าหมายแต่บางการใดจะแสดงว่าพลังของกรุณาเมตตาเอากไปเมตตาก่อนก็ได้นะเมตตากรุณาโมติตาเนี่ยมันก็ขอให้เกิดความสงบเย็นขึ้นภายในใจของบุคคลเหล่านั้นแน่นอนคนที่เราแผ่เมตตากรุณามุติตาเบกขาไปนี่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นตามที่เราแผ่ไปตลอดหอก แต่อย่างงั้นก็ไม่ต้องทําอะไรก็นั่งแฝงเมตตากันพอแล้วแต่ที่จริงมันอยู่ในกระบวนการของกรรมรือคนเหล่านั้นเขาจะเป็นไปตามที่เราปรารถนาหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่การกระทําของเขาเราปรารถนาที่จะเขาสอบได้นะะแต่เขาไม่เรียนเลยก็ยสอบไม่ได้ปรารถนาที่จะไม่เขาติดคุกแต่พอดีเขาไปฆ่าคนตายเนี่ยเขาก็ต้องติดคุกเพราะความปรารถนาของเรา จริงๆมันเป็นการพัฒนาคุณภาพจิตของเราเองก็เป็นอาการทางมโนกรรมนะคือทำให้จิตสงบจากความคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศลแล้วก็มีเกม่ก็มีเมตตามีกรุณามีมุติตามีเบียคาอยู่ภายในจิตเด็กมีกําลังก็แผ่ไปทำให้โลกธาตอการมองโลกมองชีวิตเนี่ย ด้วยความสงบเย็นแทนที่จะเกิดแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาพวกนั้นพวกนี้พวกนั้นใน่ะไรเนี่ยนันก็มองในแง่ของความเมตตากรุณาต่อกันท่านแสดงเอาไว้ด้วยข้อความสั้นๆดี๋ย ว, ว่าโลโกโปรรรัตถามิกาเมตตามเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกตัวอย่างที่ท่านกล่าวไว้ในเรื่องเรื่องพระภัยมณีตอนหนึ่งหรือสี รทธีจะ ก, ก่อแก้วพิสดาร น, นะที่นั่งกาววว่าววาวประการหนึ่งซึ่งขาดประศาสนาทวโลกาเกิดทุกข์ถึงยุคเี็นรางจะกลับตับร้อนผรให้เย็นก็ต้องเป็นไมตรีประณีกันนี่ก็เป็นหลักการแต่ละข้อเนี่ยมันมันมันเป็นหลักการของการสร้างสังคมสันติเพื่ออย่างน้อยก็ลดความเบียดเบียนรุนแรงไป แต่เราลดให้กระจายทั่วไปไม่ได้ก็ เ, เอาเป็นหย่อมๆเป็นจากบ้านไปจากคุมชนไปเนี่ยขยายไปเรื่อยๆพ้่งจริงเราไปแก้ไขปัญหาโลกไม่ได้หรอกแล้วก็ทาถ้าที่เราทำได้และที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนั้นๆธรรมะจึงเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเนี่ยนะส่วนคนอื่นนั้นเป็นจะรับผลหรือไม่เนี่ยมันก็อยู่ที่เขาต้องทำตัวเขาด้วยนะ ไม่ใช่ว่าอาศัยการโ อ, อ้บุ้มกันตลอดระยะเวลามันก็เป็นไปไม่ได้ก็ต่อไปก็คืออรมิมักองแปดประการแต่นี้ก็เป็นบทสรุปแล้วนะที่จริงมันมีอีกข้อหนึ่งก็เรียกว่าศาสนาโภมาจันทร์หมายความว่าคําสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยองค์เก้าประการเนี่ยเอพูด ง, ง่ายกว่าคำสอนทั้งหมดในพระไตรปิฎก ที่มีการศึกษาโดยชอบมีการปฏิบัติโดยชอบมัน ก, ก็ชื่อว่าเป็นพรหมจันทร์เพราะจะได้เกิดผลมาโดยชอบไปตามสมควรแก่เหตุทีนี้ในความเป็นอริมักเปงแปดประการเนี่ยมันจะมีนัยะที่พิสดานทึ่ปรากฏอยู่ในธรรมจักรวัฒนสูตรแต่ในชั้นนี้ก็ขอให้ลองสังเกตนะว่าอริมักเแประการที่จริงก็คือศีลสมาธิปัญญา เพีวยงแต่ว่าเป็นการเรียงเป็นปัญญาศีลสมาธิเพราะว่าในภาคสนามเนี่ยมันคล้ายๆกับคล้ายๆเราทําขนมหรือทำอาหารคือมันเริ่มเริ่มจากความรู้ว่าจะอะไรเป็นอะไรเนี่ยแล้วก็จัดหมวดหมู่ของสิ่งเหล่านั้นลงไปอะไรจะใส่ก่อนใส่หลังอะไรมีปริมาณเท่าไหร่เนี่ยทั้งหมดที่จริงมันถูกควบคุมด้วยความรู้ความเห็นของเรา ความรู้ความคิดความเห็นนะเราจึงสามารถจะปรุงอาหารเหล่านั้นลงไปได้ปัญญาที่บอกว่าโลกเราที่มันมีปัญหาเมื่อาาก่อนดูเรื่องขาอธิบายเรื่องเสือไซบีเรียเพราเสือไซบีเรียนั้นกิจกรรมของมันก็มีสองอย่างคือกินกับสืพัน แล้วก็นอนแล้วทําให้นึกถึงเออที่เขาพูดเรื่องว่าสัตว์โลกมีการกินนอนกลัวเนี่ยเวลาเราไปศึกษาชีวิตสัตว์หรือชีวิตมนุษย์เนี่ยเอาข้อจริงมันอยู่ตรงเนี้ยมันกามกินนอนกลัวสัตว์บางพวกมันจะมีกิจกรรมอย่างองนะื่นเนี่ยแต่พวกนี้รู้สึกเ้านอนกันสนุกแล้วก็พร้อมที่จะประสมพันธุ์ทุกเวลาแล้วก็เสร็จแล้วก็นอน น อ, อนไปหิวก็ไปหากินกระวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นั้นแสดงว่าเขาอยู่ด้วยความโลภความหลงเพราะอาการก็สัตว์เดชานมันก็คือแบบโลภหลงแล้วถ้าไม่ได้ตามที่ตนอยากได้มันก็โกรธคือต่อสู้กันเพราะนในแวดวงของเขาก็คือแย่งอาหารกันแย่งถิพนกันแย่งคู่ครองกันก็เป็นไปตามสูตรที่ทาารได้เรียบเรียงไว้เป็นคำกรอนะ ไปแย่งอาหารกันกินแย่งถิ่มกันดูแย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่นั้นก็เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายวันถ้าหากว่ามนุษย์เราได้พัฒนาปัญญาขึ้นแล้วก็มองสิ่งมีชีวิตทั้งหลายโดยไม่มีโทสะ หมาความว่าด้วยความเป็นมิตรด้วยความเมตตาดังกล่าวนี้แล้วก็มองสิ่งไม่มีชีวิตด้วยการยอมรับสิบทธิของเจ้าของเขาคือถ้าเป็นของคนอื่นเราก็ไม่โลภอยากได้พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของบุคคลเหล่านั้นก็อยู่ในกรอบของศีลสมาธิปัญญาอยู่เองโดยธรรมชาติเพราะาในโลกนี้เราก็จริงมันก็ไม่มีอะไรมากกันนะ ไม่สลับซับซ้อนอย่างที่เราคิดว่ามันสลับซับซ้อนเพราะไม่มีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตทีนี้สิ่งที่มีชีวิตเนี่ยบางทีเป็นทรัพย์บางทีก็เอาเฉพาะชีวิตแต่เรามองจากโครงสร้างของสี่ห้าประการโดยเฉพาะสี่ข้อแรกสามข้อแรกเนี่ยจะชัดมาข้อที่หนึ่งก็คือชีวิตแต่และชีวิต ที่ให้มนุษย์มีเหตุผลในการอยู่ร่วมกันคือเคารพศักดิ์ศรีสถานภาพความกันแนูในกันในชั้นเสียงก็คือไม่ร่วรุกเรเปิดกันในชั้นธรรมะก็คือช่วยเหลือคือกุญกันในชั้นของปัญญาจริงๆในชั้นของศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์มันก็มองคนอื่นที่ด้อยกว่าตนด้วยความการุณา แล้วก็มุ่งที่จะขจัดความทุกข์ช่อเหลือเขาได้รับความสุขเพียงอย่างเดียวพอมาถึงทรราบละเอียดว่ามันมีทั้งสังหารในวารัพย์สังหารใีว่าทรัพย์เพราะในทรัพย์เนี่ยทํายังไงเราจะไม่โลกในทรัพย์ของคนอื่นเนช่นว่าการการการละเมิดสิทธิในคู่ครองกันยเยกตัวอย่างว่านายกอกนางขอเนี่ยเขาแต่งงานกัน นางของก็เป็นทรัพย์กับ น, นายกอนายกอก็เป็นทรัพย์กับนางขอในแง่ของความเป็นสามีปัญญา ก, กันทีนี้ถ้านายคอไปอยากได้นางขอมาเป็นภัญญาของตัวเองก็แสดงว่าไปละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของเขามลา้วก็สร้างปาัญหาคือเป็นโลภอยากได้เกิดไปไปละเมิดสิทธิในคู่ครองของเขา นี้ไม่ได้หมายความมาไปถึงรุ่งเกิดทางเพศนะเอามาเอามาก่อนเนี่ยก็ถือว่าผิดสินข้อที่ข้อที่สองครทีนี้ถ้าไปละเมิดทางเพศก็กลายเป็นผิดศินข้อที่สามเพราะในในศิลข้อที่สามที่จริงมันจะพูดเฉพาะเรื่องเพศไม่ได้พูดเรื่องชีวิตไม่ได้พูดเรื่องทรัพย์ตัวชีวิตมันอยู่ข้อที่หนึ่งทรัพย์มันอยู่ในข้อที่สองแม้สิ่งนั้นจะมีชีวิตก็ตามแต่ว่าตัวเขาเองนะตัวเขาเองเขาก็เป็นเป็นชีวิต ติตามสิ่งข้อที่หนึ่ง น, นั่นเองทีนี้ในชีวิตเนี่ยเราลองสังเกตว่าการทําลายชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดจากโรค อ, อยากได้มาครอบครองบ้างอยากได้เพเป็นประโยชน์บ้างเกียงกาัาปลาฆ่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยของพวกจ่าประมงเนี่ยก็ไม่ได้กรดเครืองอะไรสัตว์ตอนนั้นหรอกแต่ก็อยากได้เอาไปขายหาเงนะินหาทองให้แกตัวเองแต่ตนั้นเด็ ق. ท, ทีนี้บางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสดว่มากเมันเกิดโทสะเกละคนเนี่ยเกิดโทสะถ้าจะเกิดปัญหามันก็เริ่มที่โทสะทีนี้ถ้าในฐานะที่เป็นทรัพย์เนี่ยเราก็ไม่โลกตกลงว่าเราคุมความโลภ ก, ก็คุมความโกรธเอาไว้เป็นผลมาจากใช้เหตุผลสติปัญญา เราทาให้เราก็อยู่ในกรอบของศีลทีนี้ศีลเนี่ยเป็นความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาหรือยังรู้สึกแบ่งแยกเกิดเป็นเราเป็นเขาตลอดถึงพวกเราพวกเขาแต่ทีนี้ถ้าเคารพนับถือสถานะของการหลายกันไม่ร่วมละเมิดกันมันก็อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุขได้ระดับหนึ่งแต่มันมีปัญหาว่ามนุษย์เป็นสัตว์โลกที่อัตคัดขาดแคลน ไม่มีความสมบูรณ์นะฮะจเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นอยู่ในหลายๆเรื่องแต่ทีนี้ถ้าหากว่าการพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยถ้าความรู้สึกมันปฏิเสธปฏิเสธเป็นเขาอย่างแรงเนี่ยมันไม่ช่วยเหลือหรอกงั้นจะต้องมีจุดเชื่อมที่รู้สึกว่าเป็นเราเป็นพวกเราเป็นพวกเป็นบ้านเดียวกับเรา ชาติเดียวกับเราประเทศเดียวกับเราอะไรแต่ไหนเนี่ยเอาเรามาเชื่อมกันนะแล้วก็เชื่อมมันไปได้เรื่อยๆนะฮะจนเป็นเพื่อนร่วมโลกกับเราใจต้องกว้างนะฮะคือคิดได้อย่างนั้นม่ใจต้องกว้างแต่ปกติมันก็ไปไม่ค่ยรอดหรอกแม้แต่เวลาเนี้ยเราลองดูให้ดีว่าสังคมเราเนี่ยเราพูดอย่างนั้นหนละเป็นสังคมพูดเป็นสังคมที่ไม่มีการแบ่งแยก นะโลกทั้งพ้องพี่น้องกันอะไรต่อะไรก็รพูดหรูๆไปเยอะเลยนะคําพูดหรูๆเยอะเลยแต่ใจไม่เคยถึงหรอกเรามีการแบ่งแยกกันยังพรรคการเมืองเนี่ยมันเหมือนกันตะโซคู่ว่าาดกันเลยพยายามขัดขวางริดรอนตัดรอนคนอื่นไม่มีโอกาสรับใช้ชาติบ้านเมืองทีนี้ถ้าคนเราคิดแบบชาติบ้านเมืองเนี่ย คิดเพื่อชาติบันเมืองไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นอะไรแต่ว่าเอาใครมาเป็นแล้วจะสามารถทำํำพาชาติบันเมืองให้จเจริญได้นะคือคนบางพวกในพิสูจ ต, ตัวเองมาเนี่เป็นรัฐมนตรีมาุษ้กิรรก่ค ร, รัรรรรรรรร้งกี่วันเอาฝีมือมันก็เท่านั้นนะตอนที่กําลังปลัดเปลืองอยู่เนี่ยอายุหนุ่มๆสามสิบกว่าเนี่ยก็ปลัดเปลืองนะเป็นยุคที่สมองมันเฟื่องมันปลัดเปลืองยังทําอะไรไม่ได้อายุตั้งเยอะแล้วเนี่ยมันจะทําอะไรได้ แต่ก็ยังอยากจะเป็นไรกีดกันคนอื่นกัดขวางคนอื่นคือไม่รู้ว่ารักชาติหรือต้องการจะเป็นใหญ่ในชาติไม่ได้ถามว่าชาติจะได้อะไรแต่ถามว่าเราจะได้เป็นอะไรนั่นก็แสดงให้เห็นได้ว่าความเป็นเราเป็นเขาแล้วก็คนดีๆก็ถูกกัดขวางริดรอนทําลายสร้างข่าวคราวใส่ร้ายป้ายสีเสียหายปนปี้กันหมดอจริงบ้างไม่จริงบ้างนะฮะ แต่ทีนี้ถ้าจริงเนี่ยก็แสดงคนนั้นไม่ดีเขาดีแล้วเ้าก็ต้องไม่ทำในทางทุจริตตลอดตั้งความรู้สึกเป็นภาคเป็นสถาบันลองดูว่าอย่างวิทยาลัยบางวิทยาลัยเนี่ยมันเมื่อเมื่อก่อนเป็นวิทยาลัย อ, อาชีวะก็ยังพกฟังได้นะแต่ตอนนี้มันเป็นปัญญาตรีแล้วนะที่ไปยิงอะไรกันตายบมื่อก่อน นั่นคือแสดงว่ามันขาดวุฒิภาวะขาดจิตสํานึกที่จะรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของสังคมยิ่งกันได้ยังไงในรถอะ่ะมีคนอยู่เยอะนะ่ะคือไม่ใช่นักเลงจริงอะ่ะถ้านักเลงจริงเนี่ยเขาไม่ทําอย่างนั้นหรอกคือถ้าเกิดขัดแย้งอะไรกันเนี่ยคนที่มีนักเลงจริงๆต้องคุยกันนะไม่ใช่ต่อยกันนะคือมันต้องคุยกันทําความเข้าใจกัน แล้วก็ถ้าใครผิดเป็นการร่วมเกินอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเนี่ยมันต้องขอขมาโทษได้มนุษย์เนี่ยเขามีสมองเขามีสติปัญญาเขามีเหตุผลไมาคิดมาตัดสินใจกันการ ต, ตัดสินปัญหาแบบสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์แต่แสดงว่าจิตใจนั้นขาดพุท ธ, ธิภาวะถึงแน่นอนตรงเนี้ยถ้าถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกว่าเป็นเรากับพวกเราได้ มันจะเกิดการอบปุ้มนะมันจะเกิดการช่วยเหลือคือกูลกันก็ทําให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมของความเป็นพี่เป็นน้องที่โดดเด่นชัดชัดเจนมากยิ่งขึ้นอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาธิบาลช่วยเหลือคือกูลกันการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขแล้วก็ดูแลเอื้ออาทรต่อกันก็จะบังเกิดขึ้นในระดับต่อไปนั้นมันจะกระจายออกไป โดยดำดับนะก็เป็นพวกเราตกลงว่าสเพสัตาเนี่ยที่เราพูดสเพสตาสัตว์ั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันนะอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่สถานะของตนเและเราเองก็วางตัวไม่เป็นไม่เป็นปัญหากนะับคนอื่นคนอื่นก็อาจจะเป็นปัญหานะฮะแต่ว่าปัญหาเหล่านั้นจะต้องไม่เกิดกับเรา ว่าสิ่งที่เรารับผิเชอบได้จริงๆก็คือกรรมกรรมของเราเองตามที่เราได้ประพฤติได้กระทำดังนั้นแนวของอริมักยงแปดประการคือถ้าเรามองจากมุมหนึ่งเนี่ยหมายความว่าเป็นโลกธทัุเป็นวิสัยััต์เป็นชีวธาัุเป็นอะไรก็ตาม จะเป็นการมองโดยพื้นฐานของสติปัญญาเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วโลกนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของเราเป็นผู้อาศัยโลกไม่ใช่โลกอาศัยเราเพื่อต้องจับประเด็นได้หนะาเราเป็นคนอาศัยโลกแล้วทุกคนอาศัยกันชั่วคราวเท่า น, นั้นเองเกิดอะไรมามรณาวอะไรไปเป็นคำถามที่ทุกคนควรจะแสวงหาคำตอบ การแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขานั้นเป็นความหยาบของกิเลสแล้วถ้าแบ่งแยกจนถึงกับไปเบียดเบียนปทุสร้ายกันผักฝ่ายรบ ก, กันเองมันเป็นอาการของกิเลสหยาบๆแต่กิเลสประเภทนี้ที่จริงค่อนข้างหนาเตอะพอสมควรนะฮะขัดเกลาได้ยากเพราะโครงสร้างสังคมในแดนนี้เราเรามีชัดเจนมากว่ามันแบ่งแยก แแยกเป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นหมู่แม้แต่พักการเมืองในว่ากันตั้งสี่ห้าสิบพักถ้าอะไรไม่รู้คือว่าถ้าร่วมกิจกรรมกับบุคคลอื่นไม่เป็นเพราะถ้าเข้าไปอยู่แล้วมันอาจจะไม่ได้เบอร์หนึ่งคือต้องการจะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วการการประมาณตัวเองแต่เขาเป็นเบอร์หนึ่งกันหมดเลยคือเบอร์หนึ่งมันก็มีเบอร์เดียวเบอร์หนึ่งสองเบอร์มันก็เป็นไปไม่ได้ หนึ่งก็สองสามสี่ก็เป็นกันมาลดรางกันมาคือแต่ละคนเนี่ยถ้าเรามองโลกที่เป็นองค์รวมมองชาติบ้านเมืองก็เป็นองค์รวมในฐานะที่เราเรกิดมาสายชาติบ้านเมืองก็ทํายังไงให้ชาติบ้านเมืองได้อาศัยเราเราอาศัยชาติบ้านเมืองมามากแล้วหนังสือที่มาทําเป็นหนังสือปีใหม่นะชื่ออยู่เย็นเป็นสุขตอนเล่มที่สนะิบสองแ เราใชากคำว่ากเป็นโยมาตุกภูมิคือมันมีความรู้สึกว่าคนเดี่ยนนี้มันขาดสํานึกชาติแล้วก็มีความรู้สึกว่าคล้ายๆกับชาติเดี่ยเป็นหนี้ตัวเองเนี่ยตัวเองเลยเรียกร้องกับชาติบ้านเมืองสารพัดเลยโดยไม่เคยถามมาได้ให้อะไรแกชาติบ้านเมืองเมื่อที่มาอาศัยอยู่อาศัยกินอาศัยขับถ่ายอาศัยกันอยู่จนตายเนี่ยมันช่วยอะไรชาติบ้านเมืองมั้ง ทีนี้ถ้าคนไปเพิ่มปัญญาขึ้นเราจะเห็นว่าความโลภมันจะลดเอาไว้เล้วเราได้มาเยอะแล้วนี่เราก็ให้แกาชาติปันเมืองเสีสยสละแก่ชาติเพื่อชาติปันเมืองมัน่นคราวๆในกิจกรรมต่างๆของอย่างพวกที่บริจาคที่ดินให้เป็นที่กัรปนาของวัดหรือเป็นที่ธรณีสงหรือเป็นที่สาถานสถาน สร้างมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาอะไรต่อะไรเนี่ยเราเห็นว่าคนเหล่านั้นคือยังไงมันก็ต้องชดใช้คืนแก่แผ่นดินอะไรเราก็เอาไปไม่ได้อะแต่ว่าทำยังไงถ้าเราครองชีวิตอยู่ด้วยความฉลาดเนี่ยเราเอาสิ่งเหล่านั้นไปได้โดยคุณภาพจิตปัญญาทรัพย์สมบัติในโลกเนี่ยถ้าผู้ฉลาดสามารถเอาไปได้เอาไปด้วยแปลงสภาพให้เป็นบุญกุศล ให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆแล้วก็สิ่งเหล่านั้นมันก็ก็ให้เกิดบุญแก่ผู้บริจาคเนี่ยทุกครั้งที่มีการใช้สอยสถานที่เหล่านี้นไม่ว่าจะเป็นถนนลนทางเป็นสะพานเป็นป่าเป็นอาคารสถานที่เป็นอะไรก็ตามนะครับเจ้ญญาทรงสแสดงยกตัวอย่างในการสร้างสะพานการปลูกต้นไม้การสร้างสวนอะไรต่ลางยให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน มันจะเกิดบุญแก่ผู้สร้างเนี่ยทุกๆครั้งที่มีการใช้สอยสถานที่เหล่านั้นแล้วบุญนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่เข้าไปอุปถัมภ์ขั้มจุนเราในพบชาติต่างๆเพราะโดยธรรมชาติของบุญเนี่ยมันก็ติดติตบินดาของมนุษย์แล้วก็เป็นตัวปรุงแต่งจิตปัญญาของมนุษย์ตลอดทึงจาแนกพบชาติได้แก่มนันมันโครงสร้างของอะไรมารไปงแปดประการที่จริงก็คือโครงสร้างของ ใจศีขาซึ่งเป็นหลักการสาคัญในพระพุทธศาสนารือเราอาจจะพูดว่าไม่ทําบาปต้องปวงทํากุศลให้สมสมบูรณ์ทาจิตและผองแผ้วก็ได้ต้องฝังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้ อ, อ ง, งามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านทุกฝังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี